บาลังยาตอนที่สองเทพนารีฟากฟ้าสีน้ำเงินอ่อนดารดาดด้วยแสงเพชรส่องประกายวูบวาตัดกับสีมรกตของแผ่นพื้นน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่นเบื้องล่างโดยมีเทือกเขาเขียวครึ้มสูงตรงานทอดตัวยาวโอบล้อมรอบบริเวณบุพชาติหลากสีนานาพัน์ ส่งกลิ่นหอมกรุ่นแข็งกันบานชูช่อรับลำแสงสว่างสีทองที่โพยพุ่งเป็นลำยาวลงมาจากปุยเมฆขาวรืมฝั่งน้ำปุ่มไม้ดอกสีขาวสะอาดแต้มด้วยลายจุดสีม่วงขึ้นแซมสลับกับดอกไม้สีเหลืองสดเทพนารีองคหนึง่งนั่งอยู่บนโขดหินสีขาวอมเทาแต่อ่อนยวบเหมือนปุยนุ่น ค่อยๆเอื้อมมือแตะระลอกคลื่นใสบนผิวน้ำกระแสน้ำเย็นซาบซ่างจากปลายนิ้วแล่นเข้ามากระทบทั่วสารพางยังจิตให้แช่มชื่นจนนางปรารถนาจะลงสงสนารนเย็นกายลอยผ่านหมู่เมกไม้สู่นัดใจกลางสระใหญ่ลูบไหลผิวเนียนละเอียดไร้ซึ่งรอยต่อทั่วร่างกาย โดยกระแสน้มิได้เปียกรัตนอาพรที่สวมใส่เงยหน้าขึ้นมองฟ้าเบื้องบนพระอาทิตย์สีเงินยวงทอแสงเย็นเรื่อยมิได้มีแม้เพียงละอองไอร้อนอันจะโปรยตกลงมาต้องทิพยวิมานเปล่งแสงสีทองสุกสกาวกายเบาใสาของนางได้ปรากฏขึ้นณแท่นนินมณีอันอ่อนนุ่มปูลาดด้วยพรมที่ถักทอมาจากแก้ว ทันทีที่จิตประวัติถึงรัตนามณีอันงามล้ำผุดขึ้นทั่ววิมานให้เลือกชมอย่างไม่รู้เบื่อสิงขับกล่อมบรรเลงด้วยเครื่องสายของทิพยดนตรีแววหวานมากระทบโสดประสาทให้เคลื่นเพลิมเหล่าเทพบุตรบริวารและนางสวรรค์มากมายต่างเฝ้าคอยเอาใจโอ้สุขใดในล่าจะเทียบเทียมสูงสวรรค์แห่งนี้ เกษมสรรเสรยสุขอยู่ในทิพยรถประหนึ่งว่าการจะเนานานไร้ที่สิ้นสุดบุรุษหนุ่มมองร่างที่หมอบอยู่เบื้องหน้าด้วยความเวทนาหลังจากที่เขาได้พบเจ้าของเสียงนั้นการสนทนาต่างพบก็ได้เริ่มขึ้นและเหตุใดท่านจึงมาอยู่ในสภาพนี้ได้เล่า เขาเอ่ยขึ้นหลังจากนิ่งงันไปครู่หนึ่งภาพของสูงสวรรค์อันงดงามนั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนดั่งเขาอยู่ร่วมในเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยแทนคำตอบเขากลับได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบ า, เบาลอยมาพร้อมกับสายลมอ่อนๆที่พัดมาต้องผิวเนื้อเงาร่างอันเลือนลางของเทพนารีฉายขึ้นทาบทับร่างนั้นวูบหนึ่ง ก่อนที่จะดับหายลงไปในทันทีน้ำตาร่วงพลูจากเบ้าเล็กๆคู่นั้นก่อนที่เสียงนุ่มนวลจะแล่นมาสัมผัสโสดเขาตั้งใจฟังนางอย่างจดจอ่อโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจแม้เพียงสักนิดว่าเรื่องราวที่เขากระหายใคร่รู้ต่อไปนั้นมันกำลังเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาให้พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง ตามตอนต่อไปในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32